ก็เหมือนที่หลวงพ่อบอกพวกเราเนีนะเวลาจะตายนะดูมันตายไปเลยไม่ต้องไปดิ้นรนปรุงแต่งอะไรนี่ท่านบอกให้ซ้อมมาราธอนตีเวลาที่เหลือให้ปฏิบัติท่านบอกอย่างนี้ปฏิบัติก็คือจเจริญสตินั่นแหละไม่ใช่จะไปบรรลุมรรคผลนิพพานอะไรการตอนซ้อมให้ใจมันไม่ดิ้นรนนะควรละเรื่องเลยนี่ท่านก็บ่นแล้วบ่นอีกนะบ่นไปบ่นม า, าสอนอย่างนี้ไปแปลอย่างงดะ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 มีเข้ามีออกนะกําแบบกำหนดลงไปปล่อยวางไปปับ๊บว้างเดี๋ยวก็ไปยึดมาอีกไปหยิบช่วยมาอีกนะไม่ใช่ของจริงเมื่อก่อนหลวงพ่อก็หัดภาวนาหนานนักหนาละวยี่สิบกว่าปีแตั้งแต่หลวงปู่เทศยังอยู่หลวงปู่ดุลสิ้นไปแล้วะนั้นภนะาวนาใจไ ม, ไม่จับอะไรเลยนะใจไม่จับ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 คจริงท่านมานอนรอคลุมโป่งอยู่แล้วขึ้นไปท่านก็ลุกขึ้นมานั่งนะพราห่มชี้หน้าเลยภาวนาไงอุ้ยวงนี้ดูฉันมันเลยไม่เคยรู้จักเลยนะดูเอาดูเอาเอาล่าให้ท่านฟังนะภาวนานะจิตมันจะไหลเขไปจับอารมณ์เรารู้ทานเราไม่จับมันทวนเข้ามาหาธาตุรู้นะมาหาผู้รู้เราก็ไม่จับผู้รู้อีกเช่น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 ที่ท่านสั่งพระเนี่ยนะเรายังไม่ได้คิดจะมาเลยเราไม่รู้จะมาได้ไม้มไม่เคยคิดเพราะฉะนั้นท่านสั่งลวงหน้าเลยที่เราก็ยังไม่ได้คิดเนั้นตัวนี้ไม่ใช่เฉโตพริย า, ยานตัวนี้จะเป็นอนาคตั่งสยามรู้อนาคตคนละตัวกันไปคุยับท่านไม่ได้บอกท่านเลยนะเป็นใครอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอยู่มาไปบวชละพรรษาที่สาม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 อาจารย์อภิธรรมบางท่านหนึ่งบอกว่าอนาปาญสติเป็นกรรมฐานของมหาบุรุษระดับพระพุทธเจ้าอะไรพระโพธิสัตว์ทํายากส่วนใหญ่ทําแล้วไปติดสมถะแต่ถ้าเป็นกรรมฐานที่ประณีตที่สุดกว้างกว้างที่สุดทำกรรมฐานอื่นๆเวลาจิตจะรวมลงมาเป็นสมถะนะส่วนมากก็จะมาบกเข้ามาหาลมหายใจสันหน่อยเราวค่อยรวม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 ไม่มีการเคลื่อนไปเคลื่อนมาคือไม่ได้ยึดอะไรไม่ได้ยึดในรูปประภูมิหรืออรูปประภูมินะจิต ด, ดับลงในสภาวะปะกติธรรมดาของมนุษย์ธรรมดาธรรมดาเองดันะั้นสุดท้ายนั้นภาวนาแทบตายเพื่อจะกลับไปสู่ความเป็นธรมนะธรมดาธรรมดาแต่ยโมเมนะเออาก็ไม่ยึดอะไรสักอย่างไม่ยึดอะไรสักอย่างนั่นแหละยึดในความคิดความเห็นว่าจะไม่ยึดอะไรสักอย่างใจมันยังยึดอยู่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 เพราะพวกเราที่ภาวนาแล้วรู้สึกว่างๆสังเกตให้ดีจิตมันเคลื่อนไปอยู่ข้างหน้าแล้วไปติดอยู่ในว่างๆอยู่ข้างหน้านี้หลวงพ่อไม่รู้ทำได้ไหมเดี๋ยววันนี้ต้องทำนะเนี่ยแมบอกมีความสุขเราเห็นทุกจะตายมันพบชัดๆเลยอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าพบใดพบหนึ่งนะแม้จะวิเศษระณิดสักเท่าไหร่ก็ตามอย่าไปสคัญมั่นหมายว่ามันเป็นตัวสุข ที่แท้มันเป็นตัวถูกล้นล้นไะเชิญไปทานข้าวนิมนต์ไยครับนิมนต์